ฟังทำตอนเช้าวนขืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่มองตดเตือนตนชงเตือนตน ด, ด้วยตนเองชองแยกไขตนด้วยตนเองจะมีเจตีทุกเมือ่อ จะอยู่เป็นสูกหน้าภิกษุทั้งหลายลพระพุทธเจ้าตรัสจากนี้เราจึงง่ายประมาทผู้ที่ประมาทคือคนตายแล้วงายถึงไม่มีสติผู้ไม่ผู้มีสติคือผู้ไม่ประมาทคือไม่ตาย พระพุทธเจ้าตรัสว่าเธอจงมีสติทุกเมื่อมะจุราชจะตามไม่ทันโมกขลาดกลัวตายพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้อนวาภมวกันลาดโมวกัลาดก็มีสติทุกเมื่อพอได้ฟังทำ อ, อกจากพระโอษของพระองค์ ต่อจากพระโพธิพะมกคลาชก็ไม่มีการตายเลยและยังเอามาสอนพวกเราได้อยู่ทุกวนันนี้ซึ่งเป็นธรรมมันเป็นโลกุตตะละจำแนกเป็นมกักเป็นผลอาศัยคำบอกคงสอนการเทศนาเรียวนำมาใช้กับชีวิตของเรา ให้มันเป็นของเราย้ายเป็นของสาหรับตําลาไปเพื่อเราจึงมีทําเป็นเกาะมีทําเป็นที่พ่งแจะไปพึ่งสิ่งอื่นมีสติมีจัมปัญญะเราก็ต้องสร้างขึ้นมา การสร้างสตินี้เรียกว่าสร้างวิหารและธรรมให้เป็นที่อาศัยของชีวิตเราชีวิตเราต้องมีสติถ้าขาดสติแสดงว่าไม่มีชีวิตวันหนึ่งวันหนึ่งเราปล่อยให้ตัวเราหลงไป บางทีความหลงไนี่เป็นเจ้าเหลือนเจ้าบ้านเสร็จแล้วมีส่วนที่ชวนให้หลงมากมายเราก็หาโอกาสมาเข้าค่ายมาฝึกตนมากลับมามองตนมามีสติแม่มันคิดไปหลงไปทางใดทางหนึ่งก็ ให้มีสติรู้สึกเฉลยมันจะเห็นการบ้านเราก็เฉลยไปเรื่อยๆไปเวลาเราปฏิบัติธรรมตามหลักวิชากรรมฐานสติปัฏฐานตั้งสี่มันเหมาะที่สุดมันทันเวลามันเป็นเครื่องมือที่ หรือว่าเป็นกุญแจปลดปล่อยออกไหนได้แม่จะมีมากเรื่องผัดยา่างก็สามารถที่จะลุดไปได้เป็นพรมจันท์ขอให้พรมจันท์ของเราทั้งหลายจงเป็นไปเพื่อการจำี่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งชิ้นนั่นเทิน ก็หมายถึงผู้มีสตินั่นแหละสตินี่แหละท้าพาให้เราเป็นผมมจัจจนคือความวิยสุดมดจดจากเครื่องสศร้าหมองได้แล้วก็ทันสมัยเป็นวิทยาศาสตร์สัมผัสกับพวงรู้จึกตัวสัมผัสกับพวงหลง ทำได้ทุกคนถ้ามีสติก็เป็นคนคนเดียวถ้าเป็นความหลงก็เป็นคนหลายคนชีวิตเราต้องเป็นหนึ่งมีความรู้สึกไม่ความเลึกได้คือเรามีชีวิตแก้วเดี๋ยวเราก็ต้องสร้างหงุดหัิดกันมาฝระคัดกัน มาลำดับมาลำนำมาท่องจำเอากายไปท่องจำเปาให้มันติดแต่ผองรลดสึกตัวก่อนทำก่อนพูดข่อนคิดมีสติการที่ทำที่พูดที่คิดมีความเลิกได้อยู่สมมุลแบบทางรลดสึกทางลเลิกได้ ขณะนี้เราทำอะไรอยู่เรานั่งอยู่เรายกมวยสร้างจะว่วอยู่เวลาเราพิกมาขึ้นทั้งรู้สึกทั้งรด้รู้ได้เห็นทั้งพบเห็นทั้งรู้เห็นทั้งคิดเห็นทั้งสามอย่างพบเห็นรู้เห็นคิดเห็นได้เป็นความคิดที่เป็นวิญญาณธาตุก็รู้ รูกเห็นคิดเห็นได้เป็นธาตุรูปเป็นนามธาตุเงินรูปเป็นรูปที่ไม่มีอุปทานเป็นมหาภูติรูปที่อาศัยรูปนี้ทำความดีสร้างความรู้สึกตัวอาศัยได้อาศัยรูปนี้ละขบชั่ว ก็อาศัยรูปนี้ทําได้แม้มันจะคิดอะไรมันจะพูดอะไรไปจะทําอะไรก็อาศัยรูปนี้แหละทำความดีเรียกว่ามหาภูติลูปเป็นรูปอาศัยให้ทำความดีให้ละความชั่วเนี่ยสมบัติของเราออปัายรูป คือรูปที่เป็นความยึดบั่นถือมั่น น, นั่นลงโทษตัวเองเสียจแล้วเอสนาคือเราสุขคือเราทุกข์คือเราดีใจคือเราเจียใจคือเราเราก็อยู่ในสภาพมหา อ, าอุปทายรูปเป็นรูปที่ลงโทษเราเป็นพบเป็นชาติเวียนว่ายตายเกิดกับอุปทานยรูป ป่านนั้นมานานเท่าไหร่กจี่พบกี่ชาตจนพระพุทธเจ้าตรัสว่าที่ใดก็าตามมีแต่หลุงฝังศพของอุปทาเลูกเดินอยู่นักอยู่ทอนอยู่ไปไหนมาไหนประมาณทําการเขาปีอุปทาเลูกเป็นรูปที่ลงโทษเป็นพบเป็นชาตเป็นชลามระโศกไปเทวทุกข วันนี้เราก็คุมอำนิดเป็นซะมีสติอ่การมีสติว่าควบอำนิดของพบชาติที่เป็นอุปทายรูปนั้นเรียกว่าจิตภพสิดชาติเหมือนพระพุทธเจ้าตัดออกจากพระโอษของค์ว่าชาติจริงแล้ว พอ ม, มาจัดอยู่จบแล้วจิตอื่นที่จะต้องทาไม่มีอีกแล้วเนี่ยมันก็แช่ติเองอย่าไปคิดว่ามันยิ่งใหญ่อะไรชีวิตของเราเดือเริ่มโต้นให้มันดีตั้งให้มันดีมันก็ไปได้แต่พึ่งตะพือไปมีสติมันก็มีสินแล้วมีสติมันก็มีสมาธิแล้ว มีสติแล้วก็มีปัญญาแล้วเอาตรงนี้ไปเลยไม่ต้องไปต้องบนสาทยายอ้อนวอนอะไรให้มันมากเดี๋ยวนี้การศึกษาพุทธศาสนาเนี่ยมีมากเหลือเกินหลายหลายหลายอยา่างอืหลายหลายอย่าง แต่ก็เพื่อการนี้โดยตรงแม้แต่เราสวดวันต์สวดเช่าสวัดเจตเนี่ยมันก็คือสาธยายธรรมก็เรื่องของรูปเรื่องของนามเรื่องของชีวิตเราที่เป็นเป็นปัจจุบันที่ทำให้เราเห็นอยู่เราพูดอะไรออกไปสาะยายธรรมอะไรไปมันก็เห็นอยู่เนี่ยเราก็พบเห็นอยู่รู้อยู่ เราก็เคยอยู่ในสภาพเช่นนั้นจําด้ขออกเป็นอะไรบ้างเราก็อยู่ในสภาพเปนนั้นลูกไปเที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงวิญญาณก็คือมันติดอะไรมามันไปเปิดไปเพื่อนอะไรมาเรางคนก็ติดความลักบางคนก็ติดความชั้น วังคนก็ติดความสุขความทุกข์เรียกว่าวิน ญ, ญาตไปติดอะไรมามันเที่ยงไหมมันไม่เที่ยงวิย ญ, ญาณนั่นไปยืดด้วยทำไมสองคลลืนแล้วสามคลลืนแ ล, ล้วมันไม่เที่ยงวิญญาณไม่ใชยดตัวตนเวโตาไม่ใชยตัวตนสญาเหตัวตนสังขารไม่ใหยดตัวตนมันไม่ให่ตัวตน เราก็ถูกหลอกถูกขันท้าที่เป็นอุปัตไยรูปมันหลอกเราหลอกให้รักหลอกให้ชังคนใกล้เรามันก็หลอกได้สามีนปัญญามันหลอกหลอกให้รักหลอกให้ชังเราก็หลงทำตามมันไปเสียเปียบอันฮะโอ้ยน่าเจ็ดใจชีวิตเรา ไปเสียเปรียบไปท่องเที่ยวอยู่ตรงนั้นอยู่ในวัตฏะเวียน่าวตายเกิดอยู่กับอุปาทายรูปอันนั้นนานเท่าไหร่เมื่อไรเราจะรู้จากมันได้ทีนะั้มันถ้าจะเป็นปีงเป็นภาคมันก็ดูดกินเลือดเราเราจะต้องปล่อยมันอยู่นั้น เอาวันออกให้เป็นอิสระนะมองให้มันเห็นเห็นคบเห็นแล้วเวลาเราตั่งสร้างจังหวะนิสิติอยู่มันพบเห็นอะไรเยอะแยะเห็นความหลงเห็นความปวดเห็นเปรน้าเห็นขันห้าเนี่ยแหละมันฉายออกมาเปรนาอะไรกายคืออะไรเปรนาคืออะไร มันบอกให้เราจงย่องยู่มันฟูขึ้นมาเหมือนกับป่าป่าที่มันหอเวลาฝนตกใบป่าในสระวัดเนี่ยสมัยก่อนหลวงพ่ออยู่สาราน้ำเลี้ยงปลาจีดไงปลาอะไรมากมาย เลลวลาฝนตกใหม่ผ้าใหม่ฝนใหม่มันงอมันลอยไปทางที่ตะวันตกพอที่ฝนลอยไปทางที่ตะวันอกเห็นหัวปุบปบปุบปบปุบปบปุบไปตัวเล็กตัวน้อยก็ลอยขึ้นไปจนน้ําเป็นฟองเป็นปวกเรียกมันงอมขึ้นมามีสิ่งจาให้งอมขึ้นมาลึกเด่นฝ้าอากาศแล้วก็ คนก็ไปจับเอาลาปลางอมเนี่ยโอ้ยคนจับปลาสมัยก่อนเป็นเด็กชาวบ้านก็เร่าเรือนปลาง้อมรีบวิ่งลงไปห้วยไปจับเอาเอาดางไปกลางเอาเสียงไปซ่อนเอาอะไรไปจับง่ายง่ายมีเท่าไรจับได้หมดการปฏิบัติธรรมการเจริญสติเนี่ยเหมือนกับมันควร ชีวิตของเราไม่มีอะไรอยู่ในบ้างนะมันจะลอยขึ้นมามันเบื่อหรือควาเมเบื่อลอยมาให้เราเห็นแล้วตัวเราไหมความเบื่อไม่ใช่เป็นอุปทายิรูปอีกแล้วมันปวดมันเมื่อยมันเพียร์มันลอยขึ้นมาเห็นไหมมีสติเห็นนะต่างกันกันกบสติไหมอาการเหล่านั้น มันเป็นตัวเป็นตนจริงไหมรู้จิตซารู้จิตโอ้เห็นแล้วรู้แล้วรู้แล้วมันมีมาเจ็ดครั้งเหวิวก็เดียวนั่นแหละความโกรดก็เดียวตั้งแต่อายุหนึ่งปีสองปีหนึ่งขวบสองขวบความโกรดจนถึงอายุเจ็ดสิบแปดสิบมันก็คือความโกรดเดียวเมื่อเราเห็นมันตั้งแต่อายุยี่สิบสามสิบปีมันก็ ไม่เป็นธาตุของมันเองอเห็นมีอะไรนมากมายที่มันแสดงออกมาความหลงหลงไปทางไหนหลงไปทางตาเอาโลแล้วหลงไปทางหูเอาโลแล้วเพราะหูเพราะตาเพราะจมูกเพราะลิ้นเพราะกายเป็นอายตระภายในอาจจะอยตระคือประตูมันเข้ามายทางนี้ ต า, ตายตาตนะภายนอกคือรูปรสกินเสียงมันก็เข้ามาทางนี้มันเป็นคู่กันเท้าตาไปชิมรสเข่าตาไปฟังเสียงมันก็ไ่ได้ตามต้องดูรูปมันเข้าไปนั้นรู้จึกตัวมีสติเป็นนายทวารเฝ้าประตูอยู่ มีสติเป็นนายทวัรเข้าฝั่ตัวตาตามีสติเป็นนายทวารเข้าฝั่งตัวหูเรียกว่าหน้าโลบปานนั่นนะสติตัวนั่นเป็นหน้าโลบไม่เผยเหมือนพระชีนะจบผู้มีสติเป็นวม่ในคนนะ่ะพระชีนะจบ ก, ก็คือพระหันมาเองพระหันคือใครคือผู้มีสติเป็นหน้าโลบ เราจะมีไม่ได้หรือมั่งให้ใครนะแต่มั่งอันหน้ารอบไม่ได้ให้ใครเป็นของใครเป็นของประเทศอะไรมันเป็นของเราเป็นเรื่องของเรานะเราจะต้องทำให้มันเมีเดี๋ยวนี้วินานะทีนี้อยู่ที่ไหนก็ได้ไม่เลือกไม่มีการไม่เวลาอาการิโก เป็นวิทยาศาสตร์เอปัติโกเป็นวิทยาศาสตร์โอปาณิโก เ, เป็นวิทยาศาสตร์ปัจจตังเมเป็นวิทยาศาสตร์รู้ได้ด้วยตัวเองไปถามใครมันหลงแล้วไปถามใครหลวงพรู้หลงแล้วหนูหลงแล้วผมหลงแล้วหรือเอ้าหลงก็รู้ดิรู้จึกมากําหนดกายของเรานะมาสนใจเรื่องนี้รู้สึกพลิกมือยกมือรู้จึก หายใจเข้าหายใจออกรู้สึกทํางานทําการยืนรู้สึกนอนอยู่ก็รู้สึกนั่งอยู่รู้สึกไปไหนรู้สึกมันได้ขนาดไม่มีการไม่มปอากาลรโกไม่ประกอบด้วยการเวลาปฏิบัติได้ให้ผลได้ไปจับจัดการผู้ปฏิบัติย่อมรูย้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรู้คนเห็นตามทุกคนแก่ผู้ปฏิบัติโอ้ยถ้าพูดถึงการปฏิบัติเนี่ย มันเป็นเรื่องกระตื้อรุ่นที่สุดเลยทำไมหลงพ่อเป็นไปศึกษาก็ปฏิบัติไปไ ม, ม่โอ้ยพอรู้จึกพอรู้ใจรู้สึกว่าบกระตือือรุ่นเหมือนเราไปหาของเห็นของหรือมือนเราไปเจ็บเห็ดไปเจ็บเอาเจ็บเอาเจ็บเอาเจ็บเอา ได้เหตุก็วิ่งกันมามาแงจงกินก็จินอิม่มปกติเจ้าไปเช็ปิไปที่เก่าคนที่เคยเห็นก็ได้คนที่ไม่เคยเจ็บปิดก็ไม่ได้ชีวิตเราเหมือนกันมันเกิดที่เดียวมันดับที่เดียวกันเหตุอยู่ที่ไหนผลก็อยู่ที่นั้นไปหาอะไร เราโกรเราจะไปด่าคนเลยโอ้ยมันไม่ใช่เหตุมันอยู่ที่เราต้องดับตรงนี้กูได้ด่าบางกูก็าหายโกรธหไม่ใช่มันไม่มีเหตุไม่มีผลเลยไปให้แม่เป็นเรื่องเป็นเราวยาวยืดต่อไปเพราะเหตุที่อยู่ตรงเราพวามโกรธอยู่ที่จิตที่ใจเราเพราะดับที่จิตที่ใจเรา ความหลงอยู่ที่ตาก็ดับที่ตาความหลงอยู่ที่ไหนดับที่นั่นรู้ตรงนั้นอ่าทำทีทำทีทใดมันอยู่ด้วยกันไม่ใช่อยู่คนละโลกปฏิบัตทิทรมันทำได้จริงๆนะเอาไปเลยไปอยู่กับบา้านกับลูกกับเมียไปทำงานทำการมันอยู่กับเราให้พอใจ เอาละบัดเนี่ยว่า อ, อย่างที่อยู่ที่ไหนคขาบ่าทุกข์ก็ไม่มีแล้วเขาว่าทุกข์คือสรุประวังคือทุกข์เสียเปียบควาทุกข์ความรักความหลงความโลภความวิตกกังวลเศ้ามองร้อนหนาวหิวปวดเบื่รวมลงคือทุกข์ถ้าไม่ทุกข์เราไม่มีอะไรไม่มีอะไรเาาราเลยมีแต่ทุกข์เท่าด้านตั้งอยู่มีแต่ทุกข์เท่าด้านหลับไป ไม่มีอะไรเอ้าพระพุทธเจ้าจาดหาพูดเลยนันสอนเรื่ อ, ทองทุกข์เลยเขาบ้าทุกข์เลยเขาสะดวกแล้วมืนอนหลวงพ่อไปสอนคนในสิงคโปร์สอนมีผู้หญิงคนหนึ่งแล้วหลวงพ่อไดจบเขามหาหลวงพ่อหลวงพ่อหนูเนี่ย ไม่ไม่มีทุกข์อะไรไเลยเงินทองมาม่เยอะแยะพ่อแม่พี่น้องดีทุกคนอเอาอะไรมาเป็นทุกข์เหรอเอาเงินเอาทองมาเป็นทุกข์เอาเพื่อนน้ำมิตรมาเป็นความมาเป็นความไปทุกข์หรอความทุกข์ไม่ใช่เกิดเพราะเงินเพราะทองไม่ใช่เกิดเพราะความสามีปัญญาดีมันเกิดจากคิดใจของเราเกิดจากความรู้สึกความลึกได้ของเราที่มัน อันเนี้เราไม่เห็นมนะันล้วไปเห็นอันนู่นโอยการก็ดี ก, กดันก็ดีหลวงพ่อดีน้องดีทุกคนสะดวกมีรถยนต์มีบ้านมีเดือนมีอะไรสะดวกสบายปลอดอันนั้นไปมันอามิตรอามิตรสุขสุขที่อีกอามิตรเอามอามอ้างกันต้องเป็นนิลาบิสุขสุขที่ไม่มีอะไรเราดูสิไม่มีอะไร อยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่ไม่เป็นอะไรถ้ามีสุขก็ ม, ออมีทุกข์อยู่ถ้ามีทุกข์ก็มีสุขอยู่ถ้าไม่มีอะไรเลยไม่มีทั้งสุขทั้งทุกข์นาอยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่ไม่เป็นอะไรกับอะไรอาใจตัวนี้นะชีวิตของเราต้องไปจากนี้นะเหมือนลองพ่อไปเออกออวดเอะขออวดตลอย ไปป่วยอยู่โรงพาบาลถ้าจะปวดท้องก็ปวดมากเป็นก้อนเน่าตับอ่อนทั้งหายใจไม่ได้ก็ลํำบากมากสเสรดเต็มคอก็ลํำบากมากเอ้าเราหายใจไม่ได้ไม่ทุกข์ก็ได้สเสรดเต็มคอไม่ทุกข์ก็ได้ปวดท้องไม่ทุกข์ก็ได้นอนอยู่บนเตียงพูดแปได๊ะไรก็เป็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์ก็ได้เหมือนปลาติดเบ็ด อมเหล็กท่อเหล็กเท่านิ้วมือเนี่อยู่เป็นสองอาทิตย์น่ะไปไหนมายสายยางพุมกำลังไม่ทุกข์ก็ได้เราอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ไม่เป็นอะไรล อ, อยทัวอยู่เจ้เอ้าคนหมออาณาพยาบาลก็ช่วยเราอยู่เราแต่ความไม่เป็นอะไร อยู่ตรงอันเดียวไม่ได้ไปโอ้ยเราเป่วยอยู่โรงพยาบาลจุลาโอ้ยเราเป็นพระครูโอ้ยเราเป็นพระโอ้ยเราเป็นอาภานของใครโอ้ยเรามีอายุแกแล้วไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงที่ไม่เป็นอะไรแม่มันยอดเยี่ยมสิเจนะอยากให้ทุกคนมาอยู่ตรงนี้ปลอดภัยไม่มีภัยชีวิตตรงนี้แหละเป็นชีวิตที่ไม่มีภัย ชีวิตตรงนี้ถ้าไม่มีใครเป็นอะไรเป็นพระอดียบุคคลได้เลยอาดียไม่เหนตนใจอดีไปว่าไม่มีใครอดีไปว่าข้าจึก้ะข้าจึกข้าจึกรอย่ใจไมไม่ใช่อ่าสาระเอาระเบิดมาท่้ง อ, อับกลายในฐานหรือเี่ไหนลูกดึง สองร้อยสามร้อยล้านบาทภัยสิบสองทามอั น, นั้ น, นอ น, นั้นเป็นเรื่องหนึ่ ง, ตงแต่ภัยยิ่งมันเกิดที่เราเอาให้มั น, นมมยยอยู่ตรงนี้ไม่มีภัยเลยอยู่ตรงนี้มาเป็นเลยไม่มีภัยเขาจะบา้าเขาจะเสดเขาน้นทา่าจะได้จะเสียจะสุขจะทุกข์อันนั้นมันมีภัยเรียกว่าโลกกระทำเหนือซะเหนือโลกซะ เหมือนอยู่หลัโรคก็ไม่ถูโลกครับผมเหมือนลิ่นงูอยู่ในปากงูก็ไม่ถูกเขี้ยวงูอยู่หลังโลกโลกก็คือเนี่ยมันหลายอย่างโลกความรักของจังความดีความร้ายความจบความทุกข์การได้การเสียการมินทาสัจเสริญมันเป็นโลกจะจะให้มันทับลอยอยู่เลยยึดไว้อยู่เลย ไม่ไม่ยอมมายากอะไรนะรู้ซะรู้เดี๋ยวนี้รู้เวลาดีรู้วิธีนี้มันก็ไม่มีอะไรคนเรา น, ะนี่แหละมาปฏิบัติธรรมนไมะ ไ, นนไม่ต้องหอบพี่อะไร้าหนังสือตำราตำราไม่ต้องอ่านมันละอา้าวไม่ต้องอะไรนะเราก็ พอที่จะสะดวกในประเทศไทยเราพอที่จะมีกันเลล้ยงมดพอจะมีขอที่จะมีที่อยู่อาศัยพอที่จะมีหารการกินเรียกว่าสัพยะเ จ, จนาชนะสัพยะพออยู่อาศัยได้อาหารและสัพยะพอมีข้าว ลองท่องได้บุคคลและสัพเพยะเพื่อนมิตรต่อไปก็มีธรรมะสัพพยร ะ, ยะสี่อย่างนี้หาได้เดี๋ยวนี้จะวิ่งไปที่ไหนวิ่งไปไหนไม่มีใครอะไรที่ต้องจับกลมกลมขังติดคุกติดตารางเราสามารถหาได้ ขอให้ที่นี่ยขอที่จะเป็นที่อยู่ของผู้ที่มานั่งเจริญสติเนี่ยเป็นความปาถ น, นาเป็นความมุ่งหมายของพวกเราที่อยู่ที่นี่บางทีเราก็เป็นผานลงพอใจที่จะเป็นผานลงดูแลรักษาสิ่งของไหวช้ให้สอยทำความสะอาดพอใจที่เป็นกรมรมกร ครงทีก็ล้างห้องน้ำห้องซวมได้ไม่ว่าโอ้ยเราเป็นอาจารย์แล้วเราล้างห้องน้าอะไรไมไปคิดอะไรล้างได้นะล้างห้องน้ำได้ถูสาลาถูกริได้นะเราพอใจที่เป็นเพื่อนมิตรเราพอใจที่เป็นสอนธรรมะให้ได้พูดธรรมะจากที่แต่ <c oughs> เวลาที่หลวงพ่อก็ โอย้ยก็ก็งดสภาพไปหน่อยหนึ่งนะแล้วก็เราก็มีบุคคลนจับปยะมีเพื่อนดีมีอาจารย์มีเพื่อนอาจารย์อยู่ที่นี่ดีแม่ครัวก็ดีเพ่ชีก็ดีญาติยมก็ดีมองอะไรมันพอพอทําก็มดีได้อยู่พอนั่งลงเจริญสติไม่มีใครมารับใช่ผมแห่งวางใจเรา เห็นพวกเรานั way way. ่งอยู่เขาเคารพแล้วเห็นพวกเราเดินอยู่เขาเคารพแล้วเคารพจริงๆกลัวจริงๆหลวงพ่อไปปฏิบัติหน่อยเห็นนาน้อยเดินจงกรมใหญ่ใหโอยกลัวเคารพทัดนะไม่มีใครจับกงครูขังเราไม่มีใครบังคับเราสมัยก่อนหลวงพ่อไปปฏิบัติเป็นโยมเป็นหนุ่มมันหนุ่ม ตะ ก, กันเนี่ยเดี๋ยวก็พระมาใชา่กำลังเดินังกรงอยู่ดี อ, อี่พี่พี่ทักพร ะ, ร ะ, พระหนุ่มๆน้อยๆไปขึ้นพระข้อ ง, องมา่ยใจหน่อยซะนะเอาร้องเพลกัก็เดินตกร อ, อยู่มั่วใกันอย่างไรไเลยไปขึ้นพระข้าพมันยมาแรงท่านเห็นมั้ยข้าพมัมย่ยอะไรก็นว่าจีนมาฉัน กันโอ้ยก็บางทีเราก็ปฏิบัติม่ไหวก็เป็นภาระต่อเราเราไม่อยากไปขึ้นมาขาป้อมเราอยากนั่งสร้างจังห่ะมีใครไหมมีพระองค์ใดไปใช่ใเรือไปขึ้นพะขามป้อมก็ไปยอมไปอยู่นี่มีไหมไม่มีมีไหมนะคนหมอมีไหม <laughs> อันนี้กครใคยเคยขึ้นบ้างครับ่แต่ว่าต่อไปเราพ่อปลูกไว้เยอะมาขำหวมเมืม่อต่อไปขึ้นมาจีนไปใช่กันอ่าไม่มีใครบ้านใช่หรอกบังคับบับใสเราปัวเราเคารบพพวกท่านที่ท่านนั่งท่งอย่างบอกที่ท่านเดินจงกมปาร์ทาราให้เป็นอย่างนี้ให้ทำยังไม ถ้าไม่มีใครมาปฏิบัติธรรมเราก็ขาดทุนแล้วอุตสาห์สร้างวัดสร้างมาขาดทุนคือทุนอะไรทุนคือศรัทธาอุตสาห์ช่วยกันทําให้ไม่มีใครมาใช่แล้วก็อยู่ไม่ได้เล้ยงดีเพียงคนมาวัดเราก็มีอาหารกินมีคนมาวัดเราก็ไม่ที่อยู่อาศัยเราเป็นคนมาวัดเราก็เป็นธรรมะพอจะพูด เราจะพูดกับเสาสลาเสาสลาไม่รู้เรื่องอพูดกับพวกเราที่มานั่นเลยอยู่ที่ไหนเป็นความภาษาพวกเรานะเอาวันนี้ก็สมวอใจเวลาอะไรลิยากเป็นที่เท่าไหร่เนาะฟังรู้เรื่องไหมคุณหมอเอาเอาอ น, นี้กอ่ว